นักดนตรีทั้งสามการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีนักดนตรีอยู่สามคนทั้งสามเรียนรู้วิชาจากอาจารย์คนเดียวกันเมื่ออาจารย์สอนวิชาแก่ทั้งสามจนหมดสิ้นพวกเขาทั้งสามจึงตัดสินใจออกท่องโลกกว้างเพื่อสแสวงหาโชคเราน่าจะเล่นดนตรีด้วยกันนะพวกเราเรียนด้วยกันเราต้องเล่นเข้าขากันแน่นอนใช่เลยน้องชายพวกเราควรอยู่ด้วยกัน ใครจะไปรู้ว่าโลกนี้อาจมีไว้เพื่อวงของพวกเราก็ได้นักดนตรีทั้งสามออกเดินทางไปยังดินแดนต่างๆและเล่นดนตรีเพื่อหาเลี้ยงชีพในไม่ช้าพวกเขาได้มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกเขาเล่นดนตรีในงานเทศกาลของหมู่บ้านจากนั้นก็นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวการเดินทางของพวกเขากับคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านได้บอกเรื่องแปลกๆให้พวกเขาฟัง ในป่าห่างไปไม่ไกลจากที่นี่มีปราสาสตร์อยู่ว่ากันว่ามันต้องคำสาบอยู่มันเปิดต้อนรับให้ทุกคนเข้าไปและมีโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารหรูหรามากมายเพื่อให้ผู้คนได้ดื่มกินมันยังมีห้องที่เต็มไปด้วยสมบัติยิ่งใหญ่มากไปเพียงพอสำหรับทุกคนแต่ยังว่ากันว่ามีวิญญาณที่ชั่วร้ายสิงสถิตยอยู่ในปราศาสตรคนที่เข้าไปส่วนใหญ่ล้วนตายมากกว่าที่จะมีชีวิตรอดออกมา แล้วในพวกท่านมีใครเคยเข้าไปในปร า, าสาทไหมแน่นอนว่าไม่มีหรอกพวกเราไม่ยอมเสี่ยงตายในที่อันตรายใดๆทั้งนั้นคืนนั้นเมื่อนักดนตรีทั้งสามอยู่ในห้องของพวกเขาพวกเขาไม่ได้คุยเรื่องอื่นใดเลยนอกจากเรื่องปร า, าสาทที่ต้องคำสอบข้าอยากเห็นที่นั่นจังลองคิดดูสิถ้าทุกอย่างที่พวกเขาพูดเป็นเรื่องจริงแล้วก็ อาหารที่ดีที่สุดสมบัติอันยิ่งใหญ่มากมายน่าเสียดายมากนะหากพวกเราออกเดินทางมาไกลแต่พวกเราไม่กล้าจะเสี่ยงโชคพวกเราโชคดีจนมาไกลได้ถึงเพียงนี้บางทีพวกเราอาจโชคดีในปราสาทแห่งนั้นอี ก, กได้ถ้างั้นใครจะเป็นคนไปก่อนละ่ะข้าวอดให้คนที่เด็กที่สุดในพวกเราไปก่อนและตามลำดับไอเดียเยี่ยมไปเลยถ้างั้นก็เขาไปก่อนจากนั้นก็ข้าแล้วก็เจ้าพวกเราแต่ละคน ต้องอยู่ในปร า, าสาทหนึ่งวันหนึ่งคืนตกลงดังนั้นเช้า ว, วันรุ่งขึ้นนักเป่าทำเปรตจึงบอกลาเพื่อนๆของเขาและออกเดินทางอย่างมุ่งมัน่นเข้ามาถึงปร า, าสาทในตอนเที่ยงมันยิ่งใหญ่และงดงามมากทันทีที่เขาสัมผัสกับประตูมันได้เปิดออกเช่นเดียวกับประตูของห้องถง นักเป่าทำเป็ดสำรวจห้องโถงขนาดใหญ่ที่งดงามจนกระทั่งเข้ามาถึงห้องครัวมันดูเหมือนว่ามีคนที่กำลังล่องหนกำลังสับทำขนมปังและกำลังทำอาหารอยู่มีกลิ่นของซุปผักและของหวานแสนอร่อยตลบอบอวนไปหมดนักเป่าทำเป็ดอยากที่จะเลี้มลองอาหารเหล่านั้นมากมีมือที่ล่องหน พาเขาไปยังห้องอาหารขนาดใหญ่ที่มีโต๊ะพร้อมกับอาหารมากมายแบบเดียวกับที่เขาเห็นในครัวนักเป่าทมเป็ดนั่งลงเพื่อที่จะกินอาหารแต่ไม่นานเมื่อเขากำลังจะกัดชายตัวเล็กๆที่มีครายาวเกือบถึงเท้าของเขาได้เข้ามาในห้องโถงและนั่งลงข้างๆเขาสวัสดีครับท่านอืม ทัับท้งสองนั่งกินอาหารอย่างเงียบๆทันใดนั้นคนแครได้ทำช้อนของเขาหล่นลงนักเป่าทรัมเป็ตก้มลงเพื่อเก็บมันให้เขาในตอนนั้นเองคนแครได้กระโจ้นใส่หลังของเขาทุบตีเขาและโยนเขาออกมาจากปราสาทเฮ้เจ้ากล้าดียังไงจะมาขโมยสมบัติของข้า นักเป่าทรัมเปตที่น่าสงสารได้กลับไปหาสหายของเขาด้วยใบหน้าที่ฟกช้ำดาเขียวก็ดอ้ได้ขึ้นกับเจ้างั้นเหรออย่าไปที่ปราสาทแห่งนั้นมันเป็นปิศาจชัดๆเลยในคืนนั้นเองแล้วเราจะเอายังไงกับเรื่องนี้ดีข้าอยากจะไปที่นั่นและเห็นด้วยตาตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นที่ปราสาทนั่นข้าจะไปให้ได้ ดังนั้นในวันต่อมามือกลองออกเดินทางไปที่ปราสาทประตูได้เปิดออกให้เข้าเช่นกันเขาเข้าไปสำรวจในห้องถงต่างๆห้องครัวจนมาถึงห้องอาหารขณะที่เขากำลังจะกินอาหารคนแคระก็ได้เดินเข้ามาเช่นเดียวกับที่นักเป่าทรัมเปตเจอคนแคระได้ทำช้อนของเขาหล่นลงมือกลองก้มลงเพื่อเก็บให้เขา แคร์ได้กระโจนใส่เขาและโยนเขาออกมานอกประสาทมือกลองกลับไปหาสหายของเขาประสาทนั่นชั่วร้ายมากอย่าไปที่นั่นเลยคนแคลนั่นอีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วมันจริงอย่างที่เจ้าพูดเลยแบบนี้ข้ายิ่งต้องไปแม้จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรากันเหรอไม่ต้องห่วงนะข้าจะไม่ยอมให้เจ้าคนแคะทําอะไรข้าได้ ดังนั้นในเช้าวันต่อมานักเวโอลีนได้ออกเดินทางไปยังปราสาทเขาพบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันที่ปราสาทและเมื่อนั่งลงเพื่อจะทานอาหารคนแคระได้ปรากฏตัวเช่นเคยเขาทำช้อนของเขาหล่นลงเพื่อที่จะได้จู่โจมนักเวโอลีนในต่อที่เขาก้มเก็บมันแต่นักเวโอลีนก็เตรียมพร้อมสําหรับเขาแล้วเมื่อคนแคระกระโจนใส่เขานักเวโอลีนได้ขยับตัวขึ้นและคว้าตัวคนแคระไว้ ขณะที่พวกเขาต่อสู้กันซอยเครื่องรางที่อยู่บนคอของคนแครได้หลุดออกมาอยู่ในมือของนักเบโอลีนในช่วงเวลาที่เครื่องรางอยู่ในมือของเขาเขารู้สึกว่าตัวเขาเองมีพลังอย่างมากในขณะที่คนแคระเริ่มอ่อนแอลงเออเออเออเอาเครื่องรางของข้าคืนมาไม่จนกว่าท่านจะบอกว่าปราสาทแห่งนี้มันเป็นยังไงกันแนะ่เออ ถ้าเจ้เคืนเครื่องรางแก่ข้าข้าจะสอนพลังเวทมนต์ทั้งหมดให้กับเจ้าและเจ้าจะมีพลังมากมายถ้างั้นสอนพลังให้กับข้าก่อนข้าถึงจะคืนเครื่องรางให้กับท่านตกลงไห ม, ไ ม, มก็ได้ดังนั้นคนแคระจึงพานักดนตรีไปยังห้องใต้ดินที่แปลกประหลาดทางเดินนั้นยาวไกลมากเหมือนกับมันไม่มีที่สิ้นสุด ทันใดนั้นทางเดินที่มืดมิดก็ Reserve, ได้นำพามาถึงหุบเขาที่นักไวโอลินไม่เคยรู้จักมาก่อนเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เป็นสถานที่ที่อยู่บนโลกของเราคนแคระพานักไวโอลินมายังข้างแม่น้ำแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงมากมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะว่ายผ่านไปได้แต่เมื่อคนแคระได้เคาะไม้เท้าของเขาลงแม่น้ำก็ได้แยกตัวออก เพื่อให้เห็นทางเดินเพื่อข้ามไปยังอีกหนึ่งฝั่งสิ่งที่เหนือไปกว่านั้นคือมีปราสาทที่งดงามยิ่งกว่าปราสาทก่อนหน้าที่พวกเขาเข้ามาคนแคร์พาเขาเข้าไปสำรวจในปราสาทซึ่งมีสมบัติอยู่มากมายเกินกว่าที่ใครจะเคยพบเจอจากนั้นพวกเขาได้มาถึงห้องที่งดงาม ซึ่งมีเตียงขนาดใหญ่ที่ประดับประดาไปด้วยทองคำและอัญมณีมากมายพร้อมกับหญิงสาวที่งดงามเกินกว่าใครเคยได้พบนอนอยู่เธอเป็นใครอย่างนั้นเหรอเธอคือเจ้าหญิงของปราสาทแห่งนี้เธอโดนําสาบทำให้เธอหลับไหลมามากกว่าสองร้อยปีแล้วขมสาบนั้นเหร อ, อ ม, มันคิดว่า การไล่คำสาปใส่เจ้าหญิงเพื่อให้เธอหลับและทําให้คนใช้ของเธอหายตัวไปจะทําให้คนที่ไายคำสาปสามารถขโมยสมบัติทั้งหมดจากที่นี่ไปได้แต่ว่าปราสาทถูกคำสาปมาก่อนแล้วเมื่อเจ้าหญิงหลับไปสมบัติทั้งหมดของเธอจึงติดอยู่ในที่ที่มันเคยอยู่เช่นเดิมฮเมื่อเห็นคนแค้เขาเกิดอาการข้องใจที่สมบัติยังติดอยู่ในที่ของมัน นักไวโอลินก็รู้ได้เลยว่าคนแครนั่นเองที่ไร้คำาสาบใส่เจ้าหญิงดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยเธอแล้วมีวิธีจะทำลายคำสาบได้ไหมอะไรนะตอนนี้เราทั้งคู่ต่างรู้แล้วล่ะว่าใครที่ไร้คำาสาบใส่เจ้าหญิงหากท่านต้องการเครื่องรางคืนบอกข้ามาว่าจะทำลายคำสาบได้อย่างไง มีกล่องอยู่ใต้หมอนของเจ้าหญิงมันเก็บการตือตัวของเจ้าหญิงไว้นํากล่องนั้นออกมาและนําไปใกล้ๆกับตาของเจ้าหญิงนําเครื่องรางไปแตะที่มันแล้วตอนนั้นมันก็จะเปิดออกและช่วยให้เจ้าหญิงตื่นขึ้นมาเยี่ยมมากค้าอยู่ที่ไหนอยู่ในพระราชวังของท่านฝ่าบาทท่านหลับมา มากกว่าสปีแล้วฮะนานขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าต้องการสมบัติของข้าสินะและเขาจะไม่ได้อะไรไปเลยพร้อมกับออกจากดินแดนแห่งนี้ไปตลอดการแต่แล้วเครื่องรางของข้าลนะ่ะข้าจะมอบมันคืนแก่ท่านเมื่อพวกเราไปถึงอีกฝั่งของแม่น้ำจนกว่าข้าจะมั่นใจว่าท่านไม่ใช้อุบายใดๆข้าต้องมีไม้เ้าของท่านด้วย คนแคระไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมให้ไม้เท้าของเขาแก่นักไวโอลินทั้งสามเดินออกไปยังแม่น้ำด้วยกันนักไวโอลินใช้ไม้เท้าของเขาแตะไปที่แม่น้ำและแม่น้ำก็แยกออกคนแคระเดินไปตามทางอีกฝั่งของแม่น้ำแต่นักไวโอลินและเจ้าหญิงไม่ได้ตามเขาไปเมื่อคนแคระมาถึงอีกฝั่งนักไวโอลินได้แตะไปที่แม่น้ำอีกครั้งและแม่น้ำก็กลับมาไหลเชี่ยวเช่นเดิม เครื่องรางของข้าเอาเครื่องรางของข้าคืนมาเอามันไปแต่ไม้เท้านี่ข้าจะเก็บมันเอาไว้เพื่อที่เจ้าจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเช่นนี้ทำให้นักเวอเรียนที่ชารฉลาดสามารถไล่คนแคร์ไปได้และจากนั้นเขาก็หันมาหาเจ้าหญิงฟาบาตอนนี้ข้าก็ต้องไปแล้วเหมือนกัน อยู่ที่นี่ต่ออีกสักหน่อยเถอะนะท่านช่วยชีวิตข้านําอาณาจักรของข้ากลับมาจากการหลับไหลและคืนมันสู่ชีวิตที่งดงามให้ข้าได้เป็นเกียรติพาท่านชมอาณาจักรของข้านะและขอให้พวกเราได้ต้อนรับท่านด้วยเถอดข้าขอร้องท่านละ่ะมันช่างเป็นดินแดนที่งดงามและราวกับฝันไปเลยข้าอยากอยู่ต่ออีกสักพักนะ ดังนั้นนักไวโอลินจึงอยู่ต่อในอาณาจักรของเจ้าหญิงในที่สุดพวกเขาก็ตกลมรักกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำหรับสหายของนักไวโอลินนักไวโอลินได้กลับไปหาพวกเขาและพาพวกเขากลับมาด้วยพวกเขาเล่นดนตรีไปด้วยกันทําให้ผู้คนทั้งหมดในดินแดนต่างมีความสุขชาวบ้านเมืองเดิมต่างสงสัยว่าพวกนักดนตรีหายไปไหนและพวกเขาก็พูดถึงนักไวโอลินที่หายตัวไปก่อนว่าออ oh. สงสัยเขาหนีไปเล่นคลุยแล้วมัง้งใช่แล้วเขาคงหนีไปเล่นคลุยแล้วล่ะนี่จึงกลายมาเป็นคำกล่าวจนถึงทุกวันนี้ว่าใครก็ตามที่ต้องออกไปทำภารกิจนี้เขาพูดนั้นจะไม่มีวันได้หวนกลับคืนมา